ก็จะพยายามพูดอยากเป็นส่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมโดยคำพูดขอเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมมั่นใจว่าจะไม่ฟาหลงทิศหลงทางโดยเาศัยคำพูดนี้ เหมือนกับฉีดแผนที่ให้ท่านก็พอจะรู้จักทิศทางก็เดินมาแล้วทางที่ผิดก็เคยเดินมาทางที่ถูกก็เคยเดินม า, าประสบกาเรื่องทางเฉยๆไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้ ทางเดินของชีวิตเราไปสู่จุดหมายปลายทางมันมีอยู่ทางตันก็มีอยู่ทางสุดตรงไปไม่ถูกก็มีอยู่เรืโรคนี้จึงไม่อยากจะปล่อยให้หันงุดทั้งร้อย ที่เกิดมาล้ว ต, ตายเพงไปเปล่าๆหลงเถี่ยไปเปล่าๆโดยไม่มีประโยชน์อะไรต่อตัวเองและคนอื่นจริงอื่นวัตถุอื่นต่อโลกต่อพระพุทธศาสนาก็าจะขุดลงไปบนดินนี่จะเจอแต่กองกระดูกของคนท <c oughs> ี่สดโลก ลลายเป็นแผ่นดินเป็นพืชต่างๆละโรคมีพระพุทธเจ้าบวิขึ้นมาในโลกนี้รู้เรื่องนี้โอเ่ยรู้จักกระเสในผู้คนที่ยังไม่เคยเดินทางก็เห็นกระแสบ้างก็ยังดี รีบปรีก็ยังดีแม่ยังทําะไรได้ก็คิดถึงหลายคนที่คิดถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ยังทำอะไรไม่ได้เพียแต่คิดถึงไม่ไปถึงมีแต่รู้แต่ไม่เห็นมันก็ไม่ได้สมผ่อ พิธีที่จะเดินทางปาไปสู่สมัยปลยทางมันก็มีแผนที่มีคนเดินมีประจบก่อนผู้เดินทางจะเป็นอย่างไรไมาเช่จะเขียแผนที่ให้ลรเออลู่จักแล้วเดินลองดูที่ทางเช่นนี้มานจะเป็นอย่างไรเหมือนเราเดินทาง ร้อยกมหรือเดินทางแปดรอยกมจะเป็นอย่างไรยี่สิบปันจะเป็นอย่างไรเดินทางยี่สิบปันมันจะเป็นอะไรปัญหาก็เกิดขึ้นแน่นอนกับการเดินทางแต่สำหรับผู้เดินทางจริงๆไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือจะช่วยตัวเองไม่เรียกร้องความสะดวก จะเดินจกนี่วะจุดหมายปลายทางแน่นอนความร้อนก็มีคนเดน็ดเหนื่อยไม่ลาก็มีความหิวก็มีเจ็บปวดก็มีขาแตกก็มีผ่าเท่าแตกก็มีต้นขาแตกก็มีมิจะเกิดอะไรขึ้นมานี่ก็สาหรับผู้เดินทาง จึงจะได้ประสบก่อนว่ามันมันจะพวงใจแค่ไหนจากปัญหาต่างๆที่ผ่านมามันพวงใจที่เอาชนะความยากลำบากไม่ใช่พวงใจด้วยความสะดวกสบายท่าของเราคือผ่านความยากลำบาก มาได้ใช้ช น, นะตัวเองนี่จึงมีวิธีปฏิบัติรากันทาตามพระพุทธเจ้าลองดูจะเป็นอย่างไรมีความรู้จึกตัวไปในกายเป็นปัจจํา กดเดินให้กายรู้จฉกตัวให้ใจรู้จฉกตัวทางมาอยู่ความรู้จฉกตัวจะให้กายเป็นความสุขความทุกข์จะให้ใจเป็นความสุขความทุกข์เจอะแยะผิดก็มีถูกก็มีชงบก็ดีมีฟุ่งช้านก็มีสบายก็มีสุข ก, ก็มีจะไปหลงให้รู้ เก็บเส้นทางให้ดีให้ลูกคำ ว, ว่าลูกคือไปไ่ไปลูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าลูาตัวเนี่ยหนือความเหนื่อยความปวดความม่ยความจิเกียด์ทคาดความร้อนความหนาควคำว่าลูกชื่อๆตัวเนี้ยน work เยนา วัยเกียนวัยเถียมเกีย น, ยนตัวไหนคู่ใดหนักก็ดันเบา ก, ก็ดันอย่างสม่ำเสมอหนักก็ปอเบาก็ไปอยเลือดเส้นที่เดินก้าวเท่าเดิมความไวเท่าเดิมความชจ้าเท่าเดิ ม, ม, ด ม, ม, ดมสม่ำเสมอวัยเทียมถอย เตียมคลาดนกก็ดันไปเบาก็เดินดันไปใช้พลังงานด้วยการสม่ำเสมอมาวิ่งทางกายทางทุกขาก็ไปมีขามีน่องเหยียบใช้อย่างจังหวะพอดี มันไม่เหมือนโลดโลดถ้าหลุมก็ตกหลุมทำมาเไม่ตกน่ามันรู้จักมันรู้จักหยอดหลุมม้าที่มีผีเท่าดีคนนั่งขาไม่แตกก้นไม่แตกแตาม้าผีเท่าไว้ดีคนนั่งก้นแตกกระดอกกระดึก๊กเกลียว สีเทาดีเบือีเท่าดีไวสีเท่าดีก า, เาราเดินทางของจิตวิญญาณก็คือลักษณะเดียวกันนี่รู้ชื่อชื่อคามสุข ก, ก็รู้เนี่ยสีเท่าดีหยดหลุมดีมันทุกข์ก็รู้คามสุข ก, ก็รู้ความสกบก็รู้ มันผู้ช้านก็ลู่มันผิดก็ลู่มันถูกก็ลู่อะไรก็ลู่นี่คือนักเดินทางทางจิตวิญญาณเพาว่ที่รูปคือปกติหัดตนได้ปกติยาบผูภูภแปรแปที่เกิดก็หยุดขยันก็ท่องแต่ละอากรรมต่างจะเกิดขึ้นมา วันที่ก็ศรัทธาวันที่ก็เบื่อหน่าวันที่ก็เฉื่อหลับเหมือนเหว่เทียมเกลียนเวลาลงขี้คนก็เฉื่ดหลบับไม่อยากจะดันไม่อยากจะไปรามาเดินทางไกลเวลาน่ะเหนือยเมก็ยืดไม่อยากวิ่งขยดเหว่เทียมข้าแดงหลายวันหนักร้นก็ พยศได้ออกทิ่งแกระทิ่งเถ อ, อ น, น่นแปว่าไม่ใช่ควายนาหัวเกลียนแต่ว่าลักษณะของหววของหัวของช่างมันก็มีลักษณะตัวใดมีผีเท่าดีหัวตัวใมดวมีผีเท่าดีหัวตัวไหนมีผีเท่าดีแล้วก็ดูออกโดยหลงตานี่เป็นนัก ดูวัวดูควายใส่ล่จใส่แนใส่่าใส่ถอยทำพันทำดูตรงไหนมันก็มีตําราดูเหมือนกันแหะคนคนก็เหมือนกันมันบอกลักษณะมันบอกวัวผีเท่าดีก็ดูเะดูเล็บสักสัก ม, ม, มุนหมุนไปเล็บเนืบเนืบเนบเนบหัวหลังตรงตรงตระวังไหลหน้าไหลหลัง หนูอุ้งกันพอดีนี่เรีววัวผีเท่าดีตาเล็บตัวไหนตัวเนืดแล้ก็นอ่องน่องเปย์ตาปะอึดดอดที่เกียดวอยงั้นกันผีเท่าดีดูลักษณะ ตกอกเป็ดขาตกอกเป็ดสีดกเล่าขตกอกเป็ดคนหางจำบโศิสีดกเล่าขตกอกเป็ดฝอย น, นารู้ออกเท่าไหร่ก็ชื่อถ้ารักลักษณะนี่ต่ค่าเพลงนี้ แต่ทุกวันนี้ไม่มีวัวควายเลือกนี่แต่รถไถนี่แต่รถอบูต้าอะไรต่งางๆเขาหลอกได้ของผมก็หลอกได้แต่วัวควายหลอกไม่ได้ตูออกออกฆ่าตาคมชีวิตเราก็อาจจะเป็นเช่นั้นอานที่ขี้เกียจ สนหลังยาวแต่ว่าถ้าฝึกเราฝึกได้ทุกชีวิตวิธีฝึกก็ง่ายม่ามีบรรทัดฐานมีกรรมฐานมีการเคลื่อนไหวอาศัยกรรมอาศัยที่ตั้ง อาศัยฐานเป็นที่ตั้งหรือว่านิมิตที่ตั้งหลักเอาตั้งไวน้นี่มีจุดหมายปลายทางตั้งไวน้นี่เพื่อจะเอากายกับใจเป็นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้จักตัวจะให้อดื่นมาตั้งกายของเราใจของเรานี่ ไห้เป็นที่ตั้งของความรู้จักตัวอนอื่นเคยมาตั้งนานมาแล้วร้องโลงก็เคยมาตั้งความทุกข์เคยมาตั้งความลักความชังวิจเกยียรติข้านพอใจไม่พอใจเคยมาตั้งตั้งที่กาที่ใจเราอาจจะเป็นนิสยัยเคยกินในทางนั้นก็ถวนเอาไว้หัดได้ไม่เป็นไรหัดได้ าะมันไม่ยากมันมีกรรมาวิธีสิ่งที่ยากให้ง่ายได้คือกรรมฐานนี่จึงมาพิสูจน์ัเถอพวกเราว่ามีประโยชน์จริงๆรูปนี่นามนี่อย่าไปปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมัน วิสังขารเปลี่ยนร้ายเป็นดีแม่สังขารมาไม่เที่ยงเอาความไม่เที่ยงนี่เป็นเรื่องกระตือรือร้นได้เห็นแจ้งอย่าทํร้ายความไม่เที่ยงแต่ลูกน้ำขาขาหล่อเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเร า, าเสือต้นไม้เวลาไปนั่งเดินผ่านมีดวันหักก้านนอนจริงแล้วก็ สังขารมันก็รีบไปตามป้นไปป้นไปไม่ใช่สังขารธรรมชาติสังขารถูกพ้นไปให้เกิดเอื่อแฉะสร้างเกิดโลกขึ้นมาปวาจะมาส่องแผล ฟ, ฟันต่อยอดตีก็เสียเวลาสิ้นเปืองพลังงานของมันแทนที่จะไปสร้างให้ความใหญ่โตก็เลยเสียเวลาแก้นไปเลยวันที่ก็เป็นแถ้ เหไม่เจริญชีิของเราเช่นกันลุบปลีบบ้างสิ้นโลาบ้างสิ่งเสพติดบ้างเสียพลังงามไปทางอื่นบ้างก็เรว่าถูกก้นสองขานในมันด่วนด่วนโซมลงเรื่อยๆจึงน่าสงสารที่สุดรูปนี่นามนี้ มันก็เป็นทุกข์อแล้วทำให้เป็นทุกข์อีกอะไรมาให้เหมืนแบกอีกน่าสงสารถ้ากิจใจก็น่าสงสารหาเรื่องมาชิดปุงลปุกลแต่งแไม่ปกติใจมันปกติมาแต่เดิมแต่ผิดปกติมันถูกปรุงเยอะแยะเต็มเลยมาดีๆเขาฉอดบริสุทธิ์เปือเพื่อนไปหมดเลย น, กก น, น่าจะกระตือเริ่มต้นขอบปูรูปนี่นามนี่ขึ้นบามันมีมรรคเป็นผลรูปนี่นามนี่เมื่อมีสติเป็นที่ตั้งไว้เกิดงอกงามขึ้นเป็นมรรคเป็นผลเดินบนไปนกุศลหลงลู่นี้ปลูกปนลงไปถ้าห ล, ลงเป็นหลงปลูกบาปลงไปอากุศลทาดําน้ำำนําไปแล้ว หลงเป็นหลงทำดำนำพาหลงเป็นลู่ทำขาวนำพามันอยู่ตรงนี้นะสุขเป็นสุกทำดำนำพาทุกเป็นทุกทำดำดำพานั้นพาไปแล้วผิดไปแล้วอย่างที่พิธีพิธันตรงนี้เวลาเราปฏิบัติถ้าหลงเป็นลูเนี่ยทำนำพาไป ไปคนลทางสุกก็รู้ทุกข์ก็รู้คือทำนําไปไปจากข้าศึกหนีไปจากข้าศึกจนไม่มีข้าศึกไม่มีภยัยพ้นพัยด้วยธรรมอย่างนี้ไม่ใช่อ้อนบอลศาสานี้ไม่ใช่ศาสนากาอรอ้วนบอลศาสนาการกระทําทแล้วก็ เราก็มีกายมีใจนี่เอาบาทําเรื่องนี้มันก็ไม่ไม่เหลือวิจัยนี่แต่เคลื่อนไหวได้เฉพาะคอก็ยังทำได้แล้วหายใจเข้าหายใจออกอยู่พมามันรู้จักตัวได้ส้รู้จักตัวไม่ได้อาภัพหลังเอื้อ จ, จะอาภัพตาบอดบ้างหูหนวกบ้าง คนพิการบ้างอาจจะอาภัพแต่ว่าใจมันไม่อาภัพยอย่าดูถูกคนพิการเดี๋ยวนี้จอกระพลเคลื่อนได้ตะคอได้เป็นบุคคลตัวอย่างในลูกวัณนธรรมตัวอย่างในลูกพิเศษในลูกเราจะเอาเลยมาอ้าง อยู่ที่ใจเราเนี่ยเอาความแก่มาอ้างหรือไม่ใช่เอาความเจ็บป่วยมาอ้างหรือมันก็ไม่ใช่ยิ่งจก่ไปต้องใช่ยิ่งแก่ยิ่งใช่ยิ่งเก็บยิ่งใช่ใช้เท่าไหร่ก็มีประโยชน์ตอนนอนไม่เหมือนใช่รถใช้เหลือจะเท่าไหร่ก็ชื่นเปืงองเอาใช้ไปชิ้นเปลือง โดยเฉพาะกรรมฐานมากใช้วิชาการกระทําที่ชิ้มเปลืองหลุดการกระทําที่เกาะอกอกขนเพียงแต่คู่แขนเข้ารู้จึกอย่าแนออกรู้จึกน่าจะประโยชน์แล้วได้ประโยชน์แล้วถึงจะให้พลาดจ้ะงานกรรมฐานเนี่เป็นงานเรียบด่วน รอบบชีวิตทุกชีวิตผู้นี่จะมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่เ ด, เดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วพร้อมแล้วโอกาสก็พร้อมแล้วเก่งแบดร่องก็พร้อมแล้วมิตรเพื่อนมิตรก็พร้อมแล้วพร้อมจะเป็นของเคียร์ให้กันละกันโดยทำมัธยินัย วัดวิธีวัดตามเวลาแต่ละวันเพื่อเป็นลว่ล้อมให้ไปสู่ทิศสู่ทางเวลาบอกระเบียบบอกลูล่ล้อมกายลู่ล้ อ, ล อ, ลอม จ, จิตใจนี้กรรมาฐาน เาจึงฝึกตนสอนตนเถนตนชแจ้ไขตนมีสติเนี่ยมันทํามายากเลยเสด็จได้เสด็จดเสด็จดความหลงที่เกิดกับคนให้เป็นหลงเสด็จด้ความทุกข์ที่เกิดกับคนให้เป็นทุกข์กเอามาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยมันหลังงานแล้วหรงานเขาขี่ขุดอะไร การงานชอบแล้วเปลี่ยนร้ยเป็นดีมีงานให้ทำทุกทุกโอกาสงานเปลี่ยนร้ยเป็นดีเวลาก็มีให้เราเปลี่ยนนั่งหายเว้ยเดี๋จะนอนหลับถ้วเว้ยหลับก็เป็นเวลาสตาร์ทหรือพักผ่อนชาร์จพลังงานเพื่อให้หงาะฉมสมดูลที่ไม่เป็นรูปเป็นนาม คุณก็ต้องจิตเปเวลาให้เบาสมกับที่มันเป็นรูปเป็นนามนอนก็เป็นเวลาถ้านอนผิดเวลาก็ไม่มีประโยชน์ตอนอาหารไม่ถูกเวลาก็ไม่มีประโยชน์มีระเบียบของเราอยู่ตามธรรมชาติ จึงเหวี่ยงที่สุดชีวเหลราหนี้รูเขีงเข้าเหยียดเขียนดอกมันเป็นงานชอบที่สุดโดยเปลี่ยนหลงเป็นลูกได้เปลี่ยนทุกเป็นลูกได้เปลี่ยนผิดเป็นรูได้เปลี่ยนถูกเป็นลูกวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงะจะก่อกรรมคือเท่าไหร่ความรู้จักตัวหนี่ยไม่อาศัยการเดิ น, นเหมือกับฝนฟ้าถูกข้าวปลูกพืช ฉายชิงเวทล้องภาโนอกจึงทำได้แต่ว่าปูกมักปูกผลนี่ไม่มีสิ่งเวทลอไไ้อมใดๆอยู่ในกายในใจถ้ามีรูปมีดังก็ทำได้แล้วมันมีอะไรอ้างย่างว่าลูกว่าเมียเลยก็ไม่อ้างไม่ได้ ไม่ได้ที้เมียไม่ได้ทิ้ลูกไมไ่ทิ้งการทิ้งานเรารับผิดชอบอยู่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมคือรับผิดชอบงานงานชอบมันก็ชอบแลายอย่างการคิดชอบด้มหรือชอบพู้ชอ บ, ชอบการงานชอบเรื่องชีวิตชอบ ความภาคเพยนชอบการตั้งสติชอบการสร้างสมใจไว้ชอบมันก็หมดแค่นี้แล้วชอบแต่จารวมกันเป็นทางเราูมากสู่ผลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเนี่ยผู้แขงเข้าหยาเหข็งออกเนี่ยมันตปนทุกอย่างแล้วรวมวงจรมาอยู่แค่นี่้ตบวงจรเแล้วความเชื่อก็อยู่อยางนี้ ทำความดีก็คือทำอย่างนี้จิตริสุขก็คือทำอย่างนี้ไม่ใช่อ้อนวอนวงสวมบูชายันลึกน้มยอมดีไม่ใช่ยอมดีก็คือการทำดีเปลี่ยนความไม่ดีเป็นความดีมดลึกดี <c oughs> ไช่คำนึ้งส่างแกวกันชูห้องขามสองคำผีพังท่ำปาาาำ่าสาสองคำล่อเมื่อถาค่อยจิ้นสี่คำนวนไปจิ้นแต่ตากแดดถาคำผีแวัดล่องโปงโอ อ, อะไรํานอนนั้นเจ้าโป๊ะเจ้าโพืชคิดหัวฉันต้นข้ามใบผัก ด, ดอกคุ้นหมัก วันพืชต้องปลูกหมากไมาวันอังคารต้องปลูกมอญใบมันอันติหัวจันทร์ต้นวันจันทร์ต้องปลูกปอปลูกอ้อยว่าอย่านั้นถ้าฝนตกเราไปถึงไปถึงวันจันทร์สมมติวันนี้วันอังคารซะฝนตกวันอังคารปวจะรอถึงวันจันทร์ดินก็แห้งแล้ว ความบลีวบางการกระทำเนี่ยวุจิกรารละเทีย่ยจัตจำเป็นสิ่งจำแนกสัตว์โอ้ไม่ไม่เสียงเบงขึ้นเลยอ้า <laughs> ต่อไปจะเลิกลาเล อ, อ, อย่าจะเมย ว่า ม, มาจามสังขืนเนจามก็ช่วยกายสมใจขายทุกที่ช่วยกันดูแลกันหลาก็ไปดูงานคผู้กระท้องรู้สึกว่าต้องถ้าเราไม่ไปก็ไม่ได้เราต้องไปดูงานเั็กหน่อยก่อนมันจะเสียหายหลานนี่ก็มาใช่ที่เกิกัน ไปดูแป๊บเดียวก็เสียไปแล้ววันนี้ว่าจะไปดูอีกอีกพวกนี้ก็จะต้องเป็นวันวิสาขะงูชาเราก็มีจิตกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาโดยการบวดต้นไม้นอกจากการปฏิบัติธรรมแสดงออกทั้งความว่องใจเพื่อส เรามีความล็อกมากต้นไม้นี่ชุดหัวใจเลยทีเดียวล็อกแผ่นดินล็อกเป็นล็อกต้นไม้เพราะต้นไมน้นี้มีประโยชน์สูงสุดแล้วหอฉีกระเชชู้เจ๊คเดียวต้นไม้ล้มไปแล้วต้นหนึ่งวันหนึ่งสองหมืนห้าพันต้นคนทั่วโลกตัดต้นไม้ แล้วกระดาษทะยูเช็คออกมาต้นไม้ล้มไปแล้วต้นหนึ่งกอต้นโลกไปดูที่แถวเนี่ยบริจตุลัดไปเนี่ยกองด้วต้นไ ม, มน้เขามาบดปานภูเขาก็ทำกระดาษรถจิบล้อสิบแปดล้วันทกข์ไปน้ำมาจากไหนก็อยู่ในแผ่นดินนี้ก็ด้านต้นไม้ที่นี่ ประกาศว่าห้าแสนต้นให้มีเจ้าของห้าล้านหกสิบอีคนน่ะประเทศไทมีคนกี่คนหกสิบห้าล้านคนตอนไม้ในวัดป่าจะกระตห้างมีเจ้าของหกสิบห้าล้านคนหมาช่วยกันดูแลการดูแลตนอนไม้เคยทำบุญกานสุป งดสุบุตรก็ถือว่าทําบุญการงดทําความชั่วถือว่าทําบุญทําบุญที่นี่ให้รักษาต้นไม้มาร่วมกันรักษาต้นไม้ได้ข่าวต้นไม้ใหญ่อยากไปามาดูอยู่นะเนี่ยยาวหน้ากว้างยาวสองเมตรครึ่งบนกระดานแผนเลยสองเมตรครึ่งกวามกว้างของหน้าไม้ เบาหวนห้าโศกควายาวเก้าเก้าเมตรเอห้าเมตรรวมยาวห้าเมตรใส่รถสิบโลเต็มยาวยาวคนไบเขาจะขายเฉลี่ยนหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่มีเงินเชื่อหรอกว ด, ดูเป็นขวัญกาต้นไม้ใหญ่เนี่โอ้โหหวานก็บวชต้นไม้สามต้น ต้นหนึ่งก็ว่าเอาเป็นลูกชายลูกชายจริงๆลูกชายคนเล็กปลูกเมื่อปี2องพันห้ารสี่สองห้าร้ยอเท่าไหร่จอนจีนจอนจีก็มาพาปลูกกนะันอัอย่างเอาเป็นลูกชายคนเล็กเอาต้เนเพือ่อไปหวนต้นหนึ่งก็ของเจ้านอำเภอเจ้านอำเภอตายไปแล้วก็เลย รักเจ้าขนางเผื อ, อยรัก้นว่าจนนี้จะดูลแลแทนให้โอดูแลต้นหน่งนเผือยจังข้อปลูกจำหน่อยนเผือย น, นเผือนิบนาเผืออะไรสุภา พ, พ, พงงอะไรจำไหมเผือจังข้อที่เขียนัปแล้ว อำเอภอผานุงนพงศ์ขอไปจะมาได้เดี๋ดยวนี่ก็อยู่พุ่เขียวเขียนแล้วไปอยู่พุ่มเขียวอำเอภอผานุพงน์นี่มีประวัติที่นี่เอาลูกชายมาวัดที่นี่เดาสมัยนัน่แต่ก่อนนะ่ะที่นี่เป็นเฉลี่ยและเพื่อเกษมบูุญ เจ้ที่ตํารวจผมนึกจิงเข้าไปเจ้ามาลบกวนเรื่อยมายึดไม้เรื่อยจับไม้เรื่อยแต่ไม่นึ่งเราเรื่อยไม้ที่ไม้ยางใหญ่เขาเอาปลายมันไม่ลงเรืยเขาตัดทิ้งต้นไว้เขาไม่เอาเอาแต่ะปลายมันปลายต้นใหญ่ให้เลยเขาเลยเลยให้คนมาเรื่อยมาทําเป็นฝาช่วงร็ไม่ยาเท่าไหร่ประมาณห้าศอกเสองห้าศ ตอนเช่นได้กระดานเป็นร้อยแผ่นตังหัวจจะมาจับออกเพราะว่าเอ า, าไว้ทำซ่วมไม่ล่งเลือ่อยเขาไม่เอาเอาจัดทิ้งไว้นี่ดีกว่าปล่อยมันเน่าทิ้งไม่ได้หรือว่ามีไม้สะสมไว้เกินลูกบอดมันผิดแต่ไม่ จับเจ้าของเลยจับของพ่อจะเอาไม้ยืดไม้เป็นของกลางเข้ารัดเอายืดไม้ไปจ <c oughs> นนาะเออไปเห็ดเข่ารัดบางเรื่องไปเห็ดบานก็บรรุณ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากขึ้นต่อเพลกระเจดสมบูุญเลยให้หน้ำเพลจังข้อนะตอนนุพงศ์หยอก ขึ้นตอมเภอจันข้อทำได้ไหมเตน่ั้งแต่ลำพูทางบ้านเนี่ ย, น เ, นยเขตเขตทั้งหมดเภอฝ่าหรือว่าได้มันจะลองดูพูดมันเป็นเขนตทหารพอดีหลวง่อเจ้าต้นไหนล่ะเอาผูคข้อขูกคีผูกลางเอามาห้อยยางเป็นเขตแดนเขตทั้งหมด พเพลเพลนุง่งผ่อเปล่งเต็นในเปลี่ยนเขตฉีดเช่นเขตใหม่ได้ตั้งบ้านใหม่กับบ้านท่าเวอร์หนเป็นหมู่บ้านอำเภอจัพงพก็ขึ้นมาสมหมู่บ้านนายเพลเพลนุ่งองปลูกต้นไม้ไว้เลยไปห่อต้นมไม้ไว้แล้วด้วยะรักษาหูเป็นตาแทนพวกเราก็เป็นเจ้าของต้นไม้แต่น้อยได้คนละฉีต้นนะ ภาพไปหอ่อไป ห, ไปห่มใหมโดยจิตใจสำนึกมีที่ไหนต้นไม้หน้าว่างหา้หางห้าซอกเลยก็เห็นไหม <c oughs> นี่มันมีอยู่ที่อุบลเขาเกลนสลินทอนมันหน้ามันแห้งเขาโอาจากหน้าเขื่อนในบรรนแห้งเอาขึ้นมาเลื่อยเป็นโซฟาเพราะนั่นนี่เาลบที่จุดโดยต้นไม้นี่ นั่งเดี่ยนี้ก็ต้นไม้บ้านเรือนก็ต้นไม้แต่คนไม่รู้จักสงสารทุ่มลายกันเราจึงเป็นมือเป็นขอเป็นมือเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียงที่กําลังมังชาช่วยคนททยหกสิบหกสิบห้าล้านคนให้เป็นป่าไม้ที่นี้เป็นของแผ่นดินเอาไว้ช่วยเป็นเจ้าของทุกทุกทีในวันพรุ่นี้เพื่อ เพื่อสนับสนุนของการวันตัดจูลพวะเจ้าอวดขึ้นมาร่วมกันเป็นบุญให้สำนึกในใจเสมอนี่ว่าไปไหนก็คิดว่าลูกจีงลูกชายหล่นชายอยู่ที่นี่ต้นใหญ่เนายก็เป็นป้าเป็นลูก ท, ทุกคนเจียใหญ่ก็เป็นพ่อเป็นแม่ต้นสามรอยปีเอาเป็นปู่เป็นย่ามีนะไหมสามรอยปีทั้งนั้นอวันนี้ก็จะกวน จะปะฟ้องเว็บ